หากร้องไห้เสร็จแล้วโล่งสบายใจธรรมะนั้นๆช่วยปลดล็อกสำคัญบางอย่างหากร้องไห้เสร็จแล้วยังเศร้าคาใจธรรมะนั้นๆขุดปมที่ซ่อนอยู่แต่ยังไม่ตัดคุณต้องเจริญสติต่ออย่ามองว่าการร้องไห้สอสแสดงความอ่อนแอเสียใจหรือมีความผิดปกติเสมอไป ธรรมชาติธรรมดาของการทลักทลายทางอารมณ์ที่รุนแรงคือการระเบิดออกแสดงออกด้วยทานบน้ำตาแตกบางทีร้องไห้อย่างรู้ว่าร้องทำไมแต่หลายครั้งอาจร้องไห้แบบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องร้องคนเราทุกคนมีปมทุกขมีความอึดอัดคัดแน่นบางทีก็รู้อยู่เต็มอกว่าเกี่ยวกับเรื่องใด ลหลายครั้งก็ฝังซ่อนอยู่ลึกจนไม่นึกว่ามันมีปมนั้นอยู่ด้วยซ้ําการฟังธรรมะแบบที่ช่วยให้เนื้อตัวผ่อนคลายช่วยเคลียร์หัวให้รกน้อยลงหรือกระทั่งช่วยให้ทิ้งภาระหนั ก, กนบุญบาลงได้จะเป็นประตูทางออกของปมต่างๆไม่ว่าลึกหรือตื้นได้ขึ้นอยู่กับธรรมะนั้นคลิกกับอาการยึดแบบใดและปลดปล่อยอาการยึดแบบนั้นแค่ไหน ให้สังเกตว่าหลังร้องไห้เสร็จรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเบาเหมือนทิ้งกระสอบข้าวลงจากบ่าหรือสบายใจเหมือนชำระกราบสกรปรกได้กเกลี้ยงหากมีอาการทางใจดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งก็แปล ว, ว่าธรรมะนั้นๆช่วยปลดล็อกสำคัญบางอย่างให้คุณแล้วการทลักทลายของภาวะอัดอั้นคือการพบกันพอดี ระหว่างความแสนเสียใจที่ตกตะกอนค้างอยู่กับความดีใจเป็นล้นพ้นที่เจอทางออกแต่หากร้องไห้เสร็จยังรู้สึกโศกเศร้าค้างคาใจหมนมัวไม่เป็นสุก็แปลว่าธรรมะอาจขุดปลมเศร้าให้ปูดขึ้นมาแต่ยังไม่ตัดยังไม่หั่นให้เล็กลงอันนั้นคุณต้องเจริญสติต่อโดยอาศัยจิตที่เป็นสมาธิ รู้ก็ไปตรงๆว่าปมที่ปูดขึ้นมานั้นมีนิมิตหมายอันเป็นลักษณะน า, นามธรรมาอย่างไรแข็งๆตันๆแหลมๆทื่อๆให้ความรู้สึกอย่างไรรนโรมโศกโศกซึมซึมทอทอขอแก่เห็นแบบยอมรับรู้ว่ามันคงสภาพค้างคาปักหลักมั่นคงอยู่ที่กลางใจคุณรบกวนจิตใจคุณได้ทำความรำคาญให้คุณได้ หรือทำให้คุณเสียใจได้เท่านั้นเพียงพอจะเป็นจุดเริ่มต้นไห้รู้ว่าลักษณะนามารมนั้นนั้นมันคงค้างไม่ได้จริงมันทนต่อการดูไม่ได้นานไม่กี่ลมหายใจก็ต้องคลายตัวกลายร่างเล็กลงหรือจางหายไปเลยในที่สุดธรรมะจะการร้องไห้ช่วยให้คุณออกตัวกาจัดปมด้วยการเห็นปมนั้นๆไม่เที่ยง ยิ่งเห็นซ้ำบ่อยปอมยิ่งถูกแก้ถูกถอดจนหลุดลุย้ยหรือหลุดขาดออกหมดจนได้